เรื่องวิศวกรรมหากอมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมพชติปัญโยรู้กันได้เรียนไมนาทีสองนาทีดวงดาวเทียมที่ส่งออกไปบินอยู่เหนือโลกนอกโลงมีหลายร้อยดวงส่งทอดสัญญาณมาทั่วโลกส่งโซจอโทรทัศน์ภาพพื้นแผ่นดิน ภายในประเทศภายในท้องถิ่นคลื่นวิทยุกระจายเสียงส่งกันทั่วไปหมดเราสามารถที่จะรับรู้รับฟังหรื อ, อได้เห็นได้ยินอะไรเสร็จเรียบร้อยทุกวันนี้จึงกล่าวได้ว่ายุค ข, ข้อมูลข่าวสารี่ฝรั่งเรียกว่าอินโฟเมชันเอ็ถ้าเราต้องการจะได้รับประโยชน์ เราก็พยายามเลือกเก็บเลือกฟังเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมแก่การดําเนินชีวิตไม่ว่าเราจะศึกษานักวิชาการมีรายการทุกรายการเพื่อคนแต่ละคนแต่ละอาชีพของเงนั้นยุค ข, ข้อมูลข่าวสารนี่มันให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษ ใครทำชั่วอะไรที่ไหนหนาทีหรือสองนาทีข่าวดังกือกกล้องอย่างเรื่องราวที่เราได้รู้ได้ยินได้ฟังกันอยู่เกี่ยวกับพระศาสนาสมองสมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไปหมดแต่หน้าเสียดายที่สดข่าวดีๆไม่มีใครเอามาประโคมกันไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะได้ยินมันเป็นความอาภัพของพวกเราในยุคนี้ พระภิกษุไทยพระสงไทยได้รับเชิญจากสหประชาชาติไปกล่าวสุนทรพจน์ที่อเมริกาไม่มีข่าวหนังสื้อพิมพ์มีมุมน้อยๆหน่อยเดียวแล้วก็ได้รับรางวัลสันติภาพเมื่อปีนี้เนี่ยไปเลยแต่ข่าวสมงสมี อรัชงอรัชชีเจ้ารัฐิเจ้านิกายอะไรนั่นดังกระฉ่อนประโคมข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์เอาออกนอกประเทศนู่นนะนี่เรียกว่ายุค ข, ข้อมูลข่าวสารทําสิ่งที่ชั่วให้เป็นสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ดีก็เกิดให้เป็นสิ่งที่ชั่วก็ได้ทาให้ประชาชนเข้าใจควายเวฟผิด พ, พลาดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลือกเอาเธอถ้าต้องการประโยชน์ ไม่ว่าท่านจะสนใจในเรื่องศีลเรื่องธรร ม, มเรื่องการศึกษาทางพระศาสนา <c oughs> ในวันพระมาถึงทั้งหน้าอืมทีวีทั้วทงวิทยุกระจายเสียงท่านก็จะได้รับฟังท่านจะได้เห็นอย่างในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เช้าท่านก็จะได้ฟังบ่ายแต่ตอนสองโมงเช้า ถ่ายทอดทั่วทั้งประเทศไทยที่กรมประชาสัมพันธ์ปธาธรรตกราทารำอาตมาเองก็ได้ไปกล่าวปาตกรทาธรรมที่กรมประชาสัมพันธ์หาบันทึกเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์ก็ไม่ทราบว่าแล้วถ่ายทอดออกวันอาทิตย์ไหนพอตนเองก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางหน้าทีวีอาตมาเองเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้ไป ปลาตะกะาธรรมที่ทีวีช่อง11บเอ็ดช่องส1เอ็ดมีเครือข่ายทั่วทั้งประเทศถ่ <c oughs> ายมาสู่ช่องรีคอนแก่นถ่ายมาอีสานเราแต่ก็ไม่ทราบีกเมือนกันว่าเขาถ่ายทอดว่าอะไรเพราะไม่มีโทรทัศน์ในวัดถึงมีก็คงก็ไม่มีโอกาสได้ดูได้ฟังแม้แต่วิทยุ <c oughs> ก็เหมือนกัน เพราะว่าเราเกิดมาวันวันหนึ่งอยู่ที่ว่าถ้ามันมีแต่ ง, งานตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับไปคืองานพระสัตนาะนอกจากงานนี้มลภายนอกแล้วในหน้าพรรษานี่ก็ยังไม่ว่างที่จะได้พักผ่อนเท่าที่ควรใ น, นมลภายนอกอืมทั้งต่างจังหวัดทั้งในจังหวัดเขตอำเภอในจังหวัดของตนเองส่วนมากก็สถาบันการศึกษาแล้วก็อืม หน่วยราชการต่างๆนอกจากนั้นกอประชาชนผู้ไฝ่บุญไฝกุศลบ้านเล็กบ้านน้อยทินรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับที่ไหนอออยากจะฟังเทศมามีเวลาว่างก็ไปความจริงก็ปราตนะอยากจะพักผ่อนในวันเข้าพรรษาในเล่นโอเข้าพรรษาเพราะว่ามีพระมีเนนเยอะที่วัดอยากจะอยู่ใกล้ชิดแก่พระ สององค์เณรจะได้อบรมอมนิสัยพัมซ้อนทางสมาธิภาวนาทั้งตัวเองก็จะได้พักผอมม่อนอบรมสมาธิภาวนาพัฒนาจิตแต่ก็เป็นไปไม่ได้โลกกําลังขาดแทนฮะเวลายากวันนี้เป็นวันพระวันพระวันธรรมมสวรรณวันประเสริฐซึ่งเราทั้งหลายเป็นที่ทราบกันดีวันนี้ได้มาได้มีโอกาส มาตาปทาทกระธรรมอีกวันพระหนึ่งก็เลยวันนี้อยากจะพูดต่อในวันพระก่อนๆนู้นได้พูดเรื่องทำมิกราดทำมิกราชหรือพูดมาถึงตอน ท, ท้ายควิศวกรรมห่าก้อมมาถึงวิศวกรรมห่าก้อมและเวลามันกำหมดยังไม่สมบูรณ์แบบ สมภวันพระนี่ก็อยากจะขอพูดต่อเรื่องทำมิกราชให้มันจบสมบูรณ์กันไปสักทีในภาคนี้ในขาบนี้ทำมิกราชตอนที่จะพูดต่อไปก็ทบทวนหัวข้อที่ได้กล่าวปาทกระท้ธธรทำ ม, มาตั้งแต่วันพระก่อนเพื่อจะได้สารต่อในวันนี้ให้ท่านต่างหลายผู้ที่ได้ไม่มีโอกาสฟังในวันพระก่อนก็จะฟังทู มันพระก่อนโน้นได้พูดเรื่องท ร, รมิการาชซึ่งคนโบราณของเราเคยพูดเอาไว้ว่าเวลาใดเกิดยุคเท้นบ้านเมืองเกิดเดือดร้อนบุญวายละสํารซสายไม่มีระเบียบวินยัยลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลุงศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ <c oughs> บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินยัยเดือดร้อนกดขี่ขมเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันเวลานั้นก็จะเกิดมี ทายาทำมิกราษอืมท่าเอกขี่ม้าขาวมาช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยปราบยุคเข็นมีคนโบราณพูดอย่างนี้แล้วก็เล่ากันมาเป็นยุคยุคอาตมาก็ไปเก็บความจากคำพีโบราณั้งคือคำภีคลองโบราณคลองโบราณลำพื้นเมืองเหล่านี้ แล้วก็ไปเก็บความมาจากพระไตรปิฎกจะถูกปิบาติอังคุตรนิการทมมิกะสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97แห่งพระไตรปิฎสยามรัฐอันเป็นฉบับภาษาบาลีอันเป็นต้นเป็นเพลช่ชนครั้งแรกเป็นออริจินอลเพชิญเป็น ตำหรับตำรายดั้งเดิมมาเปรียบะมาเทียบกันแล้วก็เลยไปเก็บความมาจากหนังสือรายงานการประชุมของพวกฝรั่งมั่งค่าในยุค ป, ปัจจุบันเกี่ยวกับสาภาพแวดล้อมโดยเฉพาะปีนี้ใหม่หมหมสๆสดๆร้อนๆซึ่งที่ประเทศอังกฤษมีการประชุม ประชุมใหญ่กันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมร้อยกว่าประเทศเป็นห่วงว่าโลกกำลังหมดอากาศจะหายใจคนจะตายไวเข้าอายุน้อยเข้าแล้วก็ไปเก็บจากเหตุการณ์ใหม่ๆที่มันดังๆคือการระเบิดขึ้นของพลังงานโรงงานพลังงานนิวเคลียร์สโนวินที่ตำบลสโนบินใกล้ๆเมืองเทียบ ห่างจากกรุงมอสโกไปหกร้อยกิโลเมื่อปีพศสอันห้ารอยี่สเก้าผ่านมายกๆยกเป็นเหตุให้โลกตกใจกันเกือบจะช็อกกันไปทั้งโลกเพราะกำมันตราภาพรังสีจากโรงงานอืมพลังงานนิวเคลียร์ได้พวยพุ่งขึ้นไปในอากาศถึงหกร้อยกว่ากิโลแล้วก็กระจายไปกับสายลมถึงขนาดว่าไม่มีลมมันก็กระจายไปอย่างน้อยรอบๆ้ารพันหกร้อยกิโลเป็นเหตุให้จะต้อง ย้ายผู้คนออกจากสถานที่วุ่นวายกันไปหมดไกลห่างจากโรงงานพันห้าร้อยกิโลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทำให้มองเห็นลางๆขึ้นมาว่าคํากล่าวของคนโบราณคํากล่าวของพระพุทธเจ้าในธรรมิกสูตรกับสภาพปัจจุบันนี่มันเป็นความจริงสะแล้วไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องดอกหลอกหลอกเด็กไม่ใช่เรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรแล้ว ก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนหน้าปี2529นั้นก็ 2,527 527ก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่คือโรงงานแยกก๊าซของบริษัทยูเนียนคาร์ไบด์ที่เมืองโบปานหรือว่าโพปานประเทศอินเดียได้เกิดรั่วแล้วก็ส่งสารแมททิน ายโอเซียนิกละลายออกทำให้ผู้คนตายทันทีสองพันคนหลังจากนั้นเข้าโรงพยาบาลสีเมือนกว่าคอนตาบอดหูหนวกเปือยผูพังนี่นี่เหตุการณ์ลนี้ทำให้เราได้เห็นแล้วว่ามันรุนแรงขนาดไหนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา มันเป็นโทษเป็นภัยแก่มนุษย์แล้วก็ยังเป็นโทษเป็นภัยแก่แผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำเดี๋ยวนี้กำลังมีการประชุมกันถกเพียงปัญหาที่จะลดอันตรายต่างๆในโลกนี่ให้มันน้อยลงจนถึงขนาดมีการประชุมกันเมื่อเดือนมีนาคมของปีนี้ที่ประเทศอังกฤษร้อย กว่าประเทศรวมสองร้อยประเทศพอถึงเวลาที่เราจะต้องยุติการฆ่ามนุษย์โดยไม่รู้สึกตัวก็คือมนุษย์ได้พูดง่ายๆภาษาบ้านเราว่าก่อไฟดังไฟอูดเจ้าของสิ่งที่มนุษย์เอามาเผาพวกแก๊สพวกน้ำมันต่างๆ ต, ตามโรงงานตามท่อไอสีรถยนต์และตลอดเอามาใช้เป็นพลังงานนิวเคลียนั่นมันกาลังทาลายมนุษย์ ละลายขึ้นเป็นในอากาศอย่างมันรั่วแล้วก็มันแตกมันระเบิดเนี่ยทำให้อากาศเป็นพิษจนถึงขนาดบาดเดี๋ยวนี้ทะเลสาบตายไปแล้วสองพันกว่าแห่งไม่มีเต่าปูปลากุ้งหอยอาศัยอยู่ได้เลยเพราะน้า ม, มันมีพิษเป็นบาดเป็นแผลตายกันไปเนื่องจากฝนน้ำกรดที่เรียก ว, ว่าเอซิสเ i รน ฝนเหล่านั้นก็เกิดมาจากกลิ่นจากไอจากคาร์บอนที่เราเอามาเผาจาก้อยเสียเครื่องยนต์ต่างๆโรงงานต่างๆนอกจากนั้นก็จากพลังงานนิวเคลียร์ที่ระเบิดจากแก๊สที่มันรั่วออกไปไม่อากาศให้อากาศน้อยลงมีความร้อนมากขึ้นนอกจากนั้นก็ออกมาจากสาร CFC โคลโรฟลู ออโรคาบอนซึ่งเอามาใช้ในเครื่องแอร์ปรับอากาศในตูเน้เย็นแล้วก็ในพวกสเปรย์ทำเป็นน้ำหอมอะไรต่างๆพวกสารพวกนี้มีพิษมากทำลายอากาศชั้นโอโซนในอากาศเนี่ยได้หมดไปได้บางไปบางไปแต่ก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคิดว่ามันดีนึง ตอนหลังมันได้รู้จักว่าสารชนิดนี้ซึ่งมีชื่อเรียว่า CFC นั้นได้ขึ้นไปอยู่ในบรรยากาศของโลกเกินสิบตันแล้วทีนี้สารที่ว่าไม่มีพิษมีภัยอันตรายเนี่ยโดยที่มนุษย์ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเมื่อก่อนคิดว่ามันดีแต่มันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาคือว่ามันได้ไปทำลายโอโซนโดยไปทำปฏิกิริยากับแสงอุน่นาไวโอเลส แล้วก็กลายเป็นคลอรีนออกมาคลอรีนนี้ออกมาแล้วก็ไปทำให้โอโซนกลายเป็นออกซิเจนเหมือบออโซนกลายเป็นออกซิเจนแล้วผิวระดับบรรยากาศที่เรียกว่าโอโซนเรเจอร์คือชั้นของโอโซนที่หนาๆนะควบคุมไว้เป็นบางไปด้วยกันหมดบางลงแล้วมันก็เป็นรูโว่ขึ้นไปบนฟ้าให้ความร้อนแสงกุนตาวเอเลฟจากอาทิตย์นี่ก็เข้ามาเกิดโอโซนโฮคือฮู้งใหญ่ห าานในชั้นโอโซนนั่นแหะตามรายงานของคณะวิทยาศาสตร์ไปสำรวจความเป็นไปในบริเวณทวีปแอนตราร์กติกปรากฏวารูโว้นั่นเกาะกำลังขยายกว้างออกไปกว้างออกไปโอโซนนี้ช่วยกรองไม่ให้แสงอุลตราไวโอเลตลงมาที่ผิวโลกมากเกินไปเมื่อชั้นโอโซนที่เป็นตัวป้องกันเนี่ยมันบางลดน้อยลงไปก็มีช่องโหว่กว้างขึ้นแล้ว แสงอุนง่นจากทะเลผ่านลงมาได้มากก็จะเป็นอันตรายแก่ชีวิต <c oughs> แก่โลกเพอาะอพยพแสงไม่ดีถ้าไม่เกินมะเร็งในผิวหนังแก่มนุษย์และจะลงไปทําอันตรายแก่ชีวิตเล็กๆที่ไปมีภมูต้านทานบนผิวโลกในทะเลจะทำใหสัตว์เหล่านั้นตายในน้ําเมื่อชีวิตเหล่านั้นตายสัตวปูปลาุ้งห้อยตายลงไปบ้งต้นไม้เล็กๆบางส่วนทนไม่ได้ตาย ต้นไม้ที่มีอายุสันส้นๆพื้นยืนต้นที่โปูขึ้นมาไม่สามารถจะทนได้ตายลงไปเกิดมาก็ไม่งามปูงหงอลงไปบนผิวโลกในทะเลชีวิต น, น้อยๆเหล่านั้นถูกทำลายชีวิตใหญ่ๆอย่างชีวิตคนที่อาศัยชีวิตเล็กๆนั้นก็จะพลอยพินาตามไปด้วยเพราะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรจะอยู่จะ ก, กินมั <c oughs> นลำบากตามหลักของความอิงอาศัยกันที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอีทัพปัจิยตา เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีอยู่ได้จึงเกิดขึ้นมาได้ชีวิตน้อยตายไปชีวิตใหญ่ก็มรณภาพเหมือนกันโยงไปได้ระบบนิเวศวิทยาของโลกระบบนิเวศนี้ก็จะเสื่อมซีกไปและอันตรายก็จะมาถึงมนุษย์ในที่สุดปัจจุบันนี้ปัญหาสภาพแวดล้อมกําลังเป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายพากันวิตกกังวลและเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ เป็นปัญหาใหญ่ทั้งปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับความเป็นความตายของมนุษย์ความพินาศของมนุษยชาติกําลังจะโดดเด่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ปัญหาที่ล้ําหน้าปัญหานิวเคลียร์ที่วันระเบิดออกมาลั่วออกมานั่นก็มีปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมาก็คือโอโซนเลเยอร์เนี่ยชั้นโอโซนที่น้าแน่นหุ้มห่อโลกนั่นแะหป้องกันแสงอุณหภูมิแลเลอจากดวงอาทิตย์ให้มาสูโลกให้โลกร้อนมากมาก เดี๋ยวดีถูกมนุษย์เผาจนเป็นหงสอดจางๆางแล้วมันก็จะร้อนมากขึ้นออกซิเจนละลายมากขึ้นร้อนมากขึ้นหลังอย่างนั้นมนุษย์จะมีโรคพยาติอย่างรุนแรงอย่างตายรวดเร็วสัตว์เล็กๆในน้ำจืดเงจอตายได้ง่ายกว่าและสัตว์ในทะเลตลอดทั้งพืชบางชนิดอีกตรงนี้แหละที่เรียกว่าถึงยุคเข็มมากที่สุด เพราะนั้นในโลกทั้งหลายก็หวาดกลวนแล้วใช่เนี่ยเกิดมีการประชุมใหญ่ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ปีนี้แล้มีชื่อว่า International Conference o r o s o n Depletion ที่ประเทศอังกฤษมีการประชุม123ชาติต่อมาไม่ทันานานดอกเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็ประชุมกันอีก86ประเทศที่กรุง เฮนซิงกิ inki, ประเทศฟินแลนด์มีมีการประชุมกันเกี่ยวกับปัญหาอันเดียวกันเนี่ยเกี่ยวกับความอยู่รอดของมนุษยชาติและก็ต้องการห้ามไม่ให้คนเราใช้สาร CFC คืออะคโครฟูลโอโรคาร์บินคาร์บอนการ์ไพเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาใหญ่มันเกิดทึ้งขนาด น, นี้แสงหน้าปัญหานิวเคลียร์เลยตายอย่างไม่ลดตัวง่ายขึ้นมากขึ้น อันนี้แหละคนโบราณได้พูดเอาไว้อาตมาก็ไปเก็บเคยอ่านเคยศึกษาพบจากหนังสือสูตรใบลานหนังสือเรื่องประลําพืนเมืองลา<ำ>พืชเมืองทำน า, านายศาสตนะคนตั้งแต่พันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเราก็เลยต่อไปได้พูดมาแล้วในวันก่อน น, นู้นในนี้เราอยู่ในพันที่สามพันที่สาม ท่านที่สามเขามาถึงใหม่ๆได้สองพันหาลอยปีลวงแหล่วแถมถวนทายมาฟุ้งมูประชาเชื่อเจ้าซุ่มกวกไัยทั้งภูไยและภูหน่อยพ่อยเหลี่ยวลายพังล่างคนอุตริขึ้นสำคัญตนวาวิเศษว่าตัวมีเดต่าห้อได้อวดทายานถึงฝ่าเวหาให้คนเบิ่งเป็นอุปปลาบหลอกให้คนเงาะทัวไป <c oughs> บางพองอวดว่าโตสิได้เป็นใหญ่ในชมผู้บางพองตัวว่าผาอินสิลงมาเยี่ยมบางพองเตรียมตัวถ่าป ญ, ญ่าถ้ำมิกระลาตะแล้วบางพองเห็ดปลลาดแท่ลือหล่ําถั่วแดนเนี่ยท่านท่านอาธิบายไว้อย่างเงี้ยพันที่สามคือสองพันห้าร้อยปีไปแล้วมันมีแปลกแปลกหนักขึ้นบางคนก็ว่าเราเป็นผู้มีบุญเห็นไหมล่ะเดี๋ยวก็เกิดพลื้ีขึ้นมา เดี๋ยกวก็เกิดภาษีอ่านขึ้นมาเดียวเนีนคํา เ, คเกิดตรงนู้นคนก็แห่กันไปเดี๋ยวเนีนคําองค์ใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวภาษีอ่านเดียวนี้กําลังเด่นเด่นภาษีอ่านผู้หญิงภาษีอ่านเมีที่จังหวัดเลยแล้วก็กําลังเที่ยวไปประกาศทำว่าเป็นองค์ภาษีอ่านจะเป็นผู้หญิงอแต่ามาปราถนาทกระทาทำพบตรงนู้นตรงนี้ แต่เคยพูดเรื่องถาโลกวสีอานทีนี่มันเกิดขอมันร้างท่านบอกไว้แล้วบอกว่าพันที่สามเข้ามาถึงใหม่หมถึงสองพันห้าร้อยปีสองพันห้าร้อปีลงแล้วแถมถวนทายมาฟูงโมประชาเชื่อช่าชุมพูกพวกไผ่ทั้งปูใหญ่และปูหน่อยพ่อยเหลี่ยวลายพังลังคนอุตลีขึ้นําคันตนวาวิเศษว่าตอมีเดชกาห้อไดอวดทา ย, ยานนี่มีผู้มีฤิ์มีเดช เด่นดังโฆษณากันมาทั้งๆางหนะ้าหนังสือพิมพ์ทั้งทางอะไรคนก็ลังไลไปก็เลยได้เงินได้ทองเวลาผู้มีบุญมีคุณมาก็ให้มอบไว้ได้จะได้เงยหน้าเบง้องอะไรตา่างๆนี่เยอยมากคนโบราณท่านไม่ทราบท่านรู้ได้ยังไงท่านก็พูดเอาไว้อย่างนี้บางคนหอทย่ย่างเขืนเว้าหายคนเบืง้งคือพูดเฉยๆหรอกมันทำไม่ได้เป็นอุปราช หล่อให้คนงอทัวไปบางพองอวดว่าโตสิได้เป็นไงยในชมพูบางพองตัววาปาอินสิได้ลงมาเหยียบบางพองเตรียมตัวถาพญาท ร, รมิกลาดเห็นไหมละ่ะปีสองพันส้กว่าพญารรมิกลาดที่เมืองอุบลที่บ้านสะพึงกุสกอนนั่นน่ะเจ้ามั่นผีบุญมาประกาศตัวขึ้นหินแหหินตายจะเป็นเงินเป็นทองมาฟักนี่สิเป็น อยากเป็นมารควยตู่ควยดอนจะเป็นยักษ์มากินหัวคนผู้หญิงคนไหนไม่มีผัวยักษ์จะกินก้อนให้เฝ้าเอาผัวหนอกนั้นถ้าใครมีบาปมีกรรมให้ไปตัดเวรตัดกรรมเรียกว่าผีบาปส่วนผู้มีบุญกอเตรียมตัวถ่าพ ญ, ญ่าถ้ำมิกกะลาภูประเสริดแทนสิโลมายะหมูห่เฮ้งเตรียมตัวถ่าอะไรหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องทางการเมืองขมพรยาสประสิทธิ์สมึงก็เลยสั่งตราบ ค่าสะตายไม่ใช่น้อยเจ้ามันผีบุญนึงก็รีบหนีไปก่อนจับไม่ได้ซ้ำข้ามไปประเทศลาวจอยเห็นมี้ยพยายาธรรมิการามเราได้พูดกันพันที่หนึ่งก็ยังมีพันที่สองก็ยังมีพันที่สามก็มีขั้นวาสนาหลวงจากสองพันปีไปแล้วก็เข้าตัวพันที่สามนี่ก็ยังจะพอมีแต่ว่าโลกเนี่ย มันจะลําบากมากน่อยแต่ก็ยังไม่ไม่หมดไปเป็นดังนี้ขึ้นใหม่พันธที่สา ม, มีจะพากันตัวว่าตัวสิเป็นเจา้าบางพองหยกกันเขา่าไม้กันเป็นผักพวกสอหมดพูดนึงไห่เป็นเจ้าโจกจอมแหน่สมมุิกันเอคนนั้นเก่งอย่านู้นดีอย่างนี้แล้วก็ตั้งคณนะเป็นกองเชียร์ผู้อื่นมากัดตัว ย, ดดยูอยู้่นดีแท้เลยยังสั้นยังสี่ เขา่สมมุติภูหนึ่งให้เป็นเจ้าโจกจอมปลอมตัวเป็นเจ้าพยายามมระญ่าถ้ำมิกกะลาบท่ากันนบหน่อบไหวพ่อหล่อหลอกคนมีครูบาอาจารย์บางคนไม่มีอะไรหรอกแต่มีกองเชียร์ขึ้นมาช่วยกันเชียร์วิ่งดียังสัน่นยงสีด้วยภูมีบุญมาเกิดเลเจ้าใหญ่นายต่อมาเห็นหนิดได้หมอบได้ค่าวคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่กองเชียร์พากันเชียร์ข้าวก็เลยหลงกันใหญ่ ขบวลานพูดไวอย่างนี้ผ้ากนบนอบ่อไหวพ่อหล่อหลอกคอนคันว่าเสื้อแล้วล่อหลอกเอาของทั้งเงืนค้าตัวอันบอมมีเว่นเป็นเสือผาแพร่ว่ามดทกสิงว่าแต่วังหลอกได้ให้เอาเสียงสูอนพ่อดึงพันธีสามเข่ามาถึงข้าวแหล่คนเป็นจังสี่เรื่องเลื่อยบวขัดสายแต่แล้วข้าวนั้นยังมีหาแจมเจ้าตนประเสริฐมหาคุนก่อหนีบุญลายเลินคนทั้งดาว คือร่มตั้งแต่สองพันหนึ่งร้อยมาจะมีมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็มาสร้างพระพุทธรูปเอาละไรไปนะว่าคนโบราณ น, นั้นพูดไปแล้วพันที่หนึ่งมีพยาทำรรมิกลาถัดเดือดร้อนวุ่นวายเพามีคนดีเกิดขึ้นพันที่สองก็เกิดขึ้นพันที่สามนี่วุ่นวายมากที่สุดแต่ก็มีพยาธทำมิกราชอาตมาก็เลยพูดเรื่องทำมิกราชเมื่อวานอืเมื่อวนันพระก่อนๆโน้น อัมมะแปลว่าความถูกต้องความดีความงามอิกะประกอบด้วยราชาคำนี้เก็บคำแรกๆคำว่าราชาเกิดขึ้นมามาจากความพอใจมนันษุนได้ตั้งหัวหน้าขึ้นมาในเมื่อบ้านเมืองวุ่นวายก่อนที่พระพุทธเจ้ายักไม่เกิดอาตมาก็เลยไปเก็บสับนี้มาจากอาคญญาญยโสธีขนิกายปฏิกะวัก พระตรปิดกเล่มที่11ข้อที่62หน้าที่83ได้เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าพูดให้สามเณรพารถวาชวาเสถหฟังระดูก่อนพารถวาชวาเสถหอัคละวราชาราชนนี่ก็อเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีความสุขใจมีความพอใจ กับหัวหน้าที่เขาตั้งขึ้นมาปกครองเขาคนนี้ทําความพอใจทําความสุขให้สังคมเขาเรียกวาราชาชาช า, าชาเปราะสุขใจสุขใจพอใจทันี้คําว่าราชานี่มาจากคําว่ามาจากอาการพอใจอาการสุขใจธรรมะแปลว่าความถูกต้องดีงาม อีกะประกอบด้วยราชะพอใจสุขใจเมื่อเอามารวมกันเป็นธรรมมิกราธรรมมิกราชามันก็จะได้เป็นความหมายรวมเป็นหน่วยรวมว่าความพอใจความสุขใจที่ตั้งอยู่ในธรรมอืพอใจที่ประกอบไปด้วยธรรมสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมไม่ว่าธรรมมิกราชนั้นใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพระรงองค์เจ้าสามานเน้น เป็นอุมาสองอุมาสิกาขาราชการพ่อข้าประชาชนสูงสุดถึงพันบาทสมเด็จพระเจ้าอยโู่หัวถ้าจิตใจของผู้ใดประกอบไปด้วยธรรมพอใจยินดีสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมผู้นั้นก็เป็นธรรมมิก ร, ราชาธรรมมิก ร, รา ช, รรราชทันทีทางการเมืองมีคนชนิดมานี้มากขึ้นมันก็สงบมันก็ร่มเย็นมันก็ร่มเย็น เพราะฉะนั้นในสมัยนี้เราก็จะเห็นในประเทศไทยเราในบ้านเราเมืองเราเนี่ยไม่จะมีคนชั่วคนเลวร้ายจนเกินไปตัวอย่างให้เห็นในชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เป็นธรรมมิกราชเต็มตัวหลังจากนั้นรัฐมนตรีอธิบดีเจ้าหน้าที่หัวหน้ามัวทัวหน้าส่วนหน่วยราชการมีไม่น้อยที่เป็นผู้ยินดีพอใจประกอบไปด้วยธรรม พระสององเจ้ามีไม่น้อยที่ท่านมีความยินดีมีความเพลิดเพลินมีความสุขใจประกอบไปด้วยทําซื่อสัตย์ต่อทำประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นหลักใจแก่ประชาชนมีไม่ใช่ไม่มีแต่พวกที่ไม่ดีก็มีมากมีมากส่วนที่ดีก็มีอยู่มันก็เลยคานอํานาจกัน่วงกันไว้ให้บ้านเราเมืองเรายังอยู่ยันเป็นสุขได้ถึงแม้จะทะเลาะเบาแวงกันนี่ก็แสดงว่า บ้าเราเมืองเราก็ยังมีทำมิกราชอยู่ทำมิกราชอย่างน้อยในจิตในใจของผู้คนนั้นแหละส่วนคนชั่วก็ชั่วเหลือร้ายคนดีก็ดีเหลือหลายก็ไม่เป็นไรเรากําลังพูดกันในเรื่องนี่เราสามารถที่จะทําให้มีทำมิกราชขึ้นมาได้ในสังคมนี้อย่างโครงการอุดมการณ์แผ่นดินทำเป็นดินทองไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันไม่ใช่เรื่องลมล ม, ลมแรงแรงนั่นแหละคืออุดมการ์ทํามิกราชอาจจะมาจะพูดได้เต็มปางเลยว่า อุโภคการที่จะทำให้คนพอใจสุขใจที่จะประกอบไปด้วยธรรมให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขและมันจะคุ้มครองลงไปถึงศัตว์ถึงพืชถึงน้ำถึงดินถึงไฟถึงลมเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้เราพูดกันในเรื่องนี้เก็บความมาจากหนังสือผูกใบรานเรื่องลำ เือนเืองแล้วก็เก็บความมาจากสถิติ environment สถิติสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมของโลกเป็นอย่างไรซึ่งทางสถาบันวิจัยของพวกฝรั่งมั่งค่าเขาตีแผ่ออกมาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับอากาศกำลังจะเป็นพิษที่สุดคนจะตายแล้วก็ อ, อกมาพูดกันแล้วก็ไปเก็บความมาจากพระไตริดก ที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยตรงนั่นท่านบอกว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเมื่อใดพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นขราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมขราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นพ่อค้าประชาชนพ่อค้านักวิชาการก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพ่อข้านักวิชาการไม่ตั้งอยู่ในธรรมประชาชนชาวบ้านคามณิคมทั้งหลายก็จะเป็นพวกไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อประชาชนชาวบ้านคามณิคมไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเมื่อนั้น พระอาทิตย์พระจันทร์ก็จะโคจรหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนี่ว่าอย่างนี้จันทิมะสุริยาปริวัตินติวิสมังเี้ยเมื่อพระจันทร์ว่าที่โคจรไม่สม่ำเสมอเหมือนันดาวนักขัตดาวนักตานิตารการูปานิปริวัตินติวิสมังเดี๋ยวก็เกิดดาวหองดาวหางไม่ใช่ดาวธรรมดาซะแล้วมันโคจรไม่เป็นปกติปริวัตินติ วิสามั่นหมุนเวียนไม่สม่ำเสมออยู่ดีๆโจรมาว่าแล้วก็ว่ากันไปใหญ่ถึงดาวของดาวหางก็เพราะเรื่องนี้ว่าพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้ตัดไว้แล้วว่าดาวนักสัตว์รอดาวนักสัตว์ทั้งหลายก็จะหมุนเวียนไม่ไปตามที่ตามทางไม่สม่ำเสมอของมันที่ท่านเรียกว่านักขัต การนิตารกะโรปานิป ร, ริวัติตันติวิสมงังดาวนักษัตบทั้งหลายก็จะมุนงวีจัไม่สม่ำเสมอมันเป็นกดเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นอย่างดาวหางต่างๆที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยถึงมันไม่ชนกับโลกของเรามันวิ่งผ่านไปเราจะดูใหโลกนี้วิ่งตามมันไปก็าฝรั่งว่าอย่างงี้ แล้วก็เห็นกันบ่อยๆในกลุ่มแกาแล็กซีทั้งหลายว่าอยู่ดีๆดาวมันระเบิดตุ้มคือมันวิ่งมาชนกันเทโมห์อยู่ที่ฝีมือของมนุษย์อีกแหละเนี่ยท่านทั้งหลายลองคิดดูเมื่อดาวเองก็ไม่หมุนเวีนสม่ำเสมอวันคืนก็ไม่สม่ำเสมอกลางวันกลางคืนไม่เท่าเก่าเดี๋ยวนี้หมุนไปหมุนมาบางวันขึ้นต้นหนึ่งลงตองหนึ่งรัตินทิวาปริวัติตันติวิสมัง ราตีที่วากลางวันกลางคืนหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอพระอาทิตย์ขึ้นวันนั้นเวลาเท่านั้นตกเวลาเท่านั้นผู้นี้ขึ้นใหม่เวลาใหม่ตกใหม่เวลาใหม่หมุนอย่างนี้นหลังจากนั้นวันเดือนปีขาดเขื่อนเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนวันพระวันเจ้าอะไรต่างๆมันก็ไม่สม่ำเสมอกันบางทีขึ้นสิบห้าคำเดือนยังไม่เต็มดวงดีเลย เราไม่ค่อยได้สังเกตแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดกัแล้วท่านบอกว่าเมื่อวันคืนไม่สม่ำเสมอแล้วมาธสมาสาปริวัตรตันติวิสมังฆหนึ่งเดือนครึ่งเดือนก็ไม่สม่ำเสมอเมื่อนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนไม่สม่ำเสมอก็อุตสังวัชลาปริวัตรตันติวิสังทีนี่ฝนฟ้าถดูการก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหน้าแรงเหมือนหน้าฝนหน้าฝนเหมือนหน้าแรงจะหมุนไปเวียนมา แล้วก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอปีนี้ฝนตกดีปีหน้าอาจจะแล้งอีกสามปีก็ได้ความร้อนในโลกสูงขึ้นลมก็แปรปวนพัดไปทางใหม่ทางนี้เคยตกอาจจะแห้งแล้งที่ไหนเคยน้ําท่วมอาจจะไม่ท่วมเลยเพราะว่าฝนฟ้าไม่เบือนเก่าความร้อนในโลกสูงขึ้นที่ไหนแห้งแล้งอาจจะท่วมกว็ได้บนภูเขาน้ําท่วมอย่างบ้านกระทุ่ที่ยพัดนัด้นเจ้านี้ทางบ้านเราฝั่งสงครามทุ่งน้องฟ้าน้องด้วงน้ําเคยท่วม กับจะไม่ท่วมเลยก็ได้นี่เพราะว่ามันไม่จะมั่มเสมอปริวัติตันติวิสมังหมุนเวียนอุตุสังวัชลาปริวัติตันติวิสมังดูการกองหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอฝนฟ้าก็ตกต้องไม่สม่ำเสมอเคยตกทางหนึ่งก็จะไปตกอีกทางหนึ่งที่ไหนเคยไม่ตกอาจจะตกมากมากก็ได้ไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าวาตาวายันติวิสมังฝนอืตกไม่สม่ำเสมอล้ม ก็พัดไม่สม่ำเสมอพัดไม่สม่ำเสมอบางทีอยู่ดีๆฝนตกในหน้าฝนเดล้อ ม, มาอย่างรุนแรงพัดต้นไม้ต้นไ ล, ล่ล้อมและเนรละหน้ถอนรากถอนโคนเรือนชานบ้านช่องพังที่ น, าน่าฟ้าใหม่ฝนใหม่ไม่มีต้นไม้ปะทะปะทางลมมาอย่างรวดเร็วรุนแรงมากเดี๋ยวนี้น่าหวาดกลัวที่วัดอาดามาดีมันเป็นป่าใหญ่ มันก็เลยบังลมมาจัดๆที่อื่นล้มละเนลละหน้าที่นี่ไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรนั่นเพราะว่ามันได้สามขีกันมันมีหลายต้นมันช่วยกันเนี่ยแต่ที่คือนล้มแล้วอยู่กลางทุ่งดิบปุ๊บดีจา้าแปลว่าไม้สูงโดดเดี่ยวแพ้ลมบน่นเดีนี่ไม่มีอะไรต้านทานแต่ที่วัดมันเป็นเป็น่าใหญ่ๆอาตมารักต้นไม้มากเทือเขาเทือวันห้ามตัดใครตัดและอาตมาจะดุถ้ารูทันหลงสิหลงห้าไม่กล้าหรอก พอเคือเขาเท้าวันมันจะมัดกันมาลึงทึงเทือดมันช่วยกันรับน้ําหนักเมื่อลมแรงมาขร้อมวันนั้นนกหนูปูปีกระรอกกระแตมันก็จะได้อยู่ได้อาศัยเมื่อท่านได้ยินเสียงมีเสียงนกเสียงการ้องมาด้วยกับเสียงผู้ท่านอย่าแปลกใจนี่ไม่ใช่นกขังไว้นะมันก็อยู่หอมันนั่นแหละมันอยู่ค้ามข้างในกุฏิธรรมมีตะขีนนกไม่ใช่นกขังนกมันมาอยู่ที่นี่มันอยู่ดีกินดีมันก็ไม่ไปนัไม่มีใครฆ่ามัน ที่ไหนมีคนข้ามก็ไม่ไปอยู่เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นฝนตกไม่สม่าเสมอลมพัดไม่สม่าเสมอแล้วหลังจากนั้ น, พ ว, ว น, พ, น, วนพวกเทวดาทั้งหลายก็จะกำเริบก็จะกาเริบเมื่อลมพัดไม่สม่าเสมอและหมุนเวียนไม่สม่าเสมอพวกเทวดาทั้งหลายเทวตาปริกุปิตาพวันติแี่ เทวดาทั้งหลายก็จะพากันกำเลิบเมื่อเทวดากำเลิบเทโวนะส ม, มาทาลังอนุ ป, ปเวชติกฝนก็ไม่ตกอืตามาดูกาลแล้วไม่สม่ำเสมอพราเทวดากำเลิบซะแล้วเมื่อเทวดากำเลิบฝนไม่สม่ำเสมอแล้วเป็นยังไงผลหมากล่างไม้ที่ปลูกมามันก็จะไม่สม่ำเสมออืวิสมะปากีนี้ ศรัทธานิพาวันติผลหมากล่างไม้ก็จะสุกไม่สม่ำเสมอเมื่อมันสุกไม่สม่ำเสมอกิ่งหนึ่งก็เป็นดอกอีกงานหนึ่งสุกพ่อกินลนล่องเต็มพืชงานหนึ่งนั่นเป็นดอกพ่อจอจีลักษณะเช่นเนี้สินฟ้าอากาศมันแปลป่วนข้าวปลาอาหารต้นหมากล่างไม้ที่เราปลูกจําเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีปลูกพืช จะต้องใช้ปุ๋ยแร่งดอกเร่งมากหลังจากนั้นจะต้องมียาคุ ก, กับมเมล็ดใส่ลงไปกันแมลงแมลงต่างๆถูกคนทำลายป่าไม้มันไม่มีสิที่จะกินมกกันก็มากินสิ่งที่คนปลูกคนก็ใช้ยาเดี๋ยวนี้ยาฆ่าแมะลงทั้งโลกมียาฆ่าแมะลงอย่างน้อย1มื0นห้าพันชนิดที่ประเทศ จเจริญทางวิทยาศาสตร์ค้นคิดขก้นมา1มื่นห้าพันชนิดเป็นอย่างน้อยในจำนวน1มื0นห้าพันชนิดนั้นมแมลงทั้งหลายได้ตายศูนพันไปเป็นจำนวนมากเพราะมนุษย์แข่งฆ่ามันด้วยยาฉีดยาพ่นยาคร ก, กยาอะไรหลังจากนั้นก็มีมแมลงที่วิวัฒนาการเก่งขึ้นมาเรื่อยไม่ยอมตายเพราะยาเดียวนี้นักวิทยาศาสตร์พวกแมลงวิทยาเขา เขาสำรวจสถิติแล้วมีแมลงสิบเจ็ดชนิดที่ไม่ยอมตายเพราะยาใดๆทั้งสิน้นแมลงสิบเจ็ดชนิดนี้มันมันไม่ยอมตายมันดื้อยามันแพ้ยามันแข็งยามันอดทนต่อยามันวิวัฒนาการตามหลักชีววิทยาที่ว่า the f i t t e s that is the survival ขออภยัยผู้ประกาฝรั่งสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนั่นจึงที่อยู่รอดได้มันก็เลยเหมาะสมต้านทานต่ อ, อยาทุกชนิด ถึงสิบเจ็ดชนิดมแมลงที่ไม่ยอมแพ้ยาชนิดใดเลยมนุษย์ก็พยายามสร้างยาขึ้นมาเดี๋ยวนี้มียาที่รุนแรงที่สุดที่เรียกว่าพาราไทออนพาราไทออนรุนแรงมากแข็งกว่ายาดีดีทีหกสิบเท่าหกสิบเท่าชีดลงไปมแมลงเหล่านี้ไม่ยอมตายทีนี้ยาเหล่านั้นไปไหนเมื่อมแมลงไม่ตายใครตายคนคนตายแทนมแมลง เดี๋ยวนี้ทางประเทศสหรัฐอเมริกาทางประเทศยุโรปที่จเจริญแล้วเขาบอกว่าคนปีหนึ่งห น, งหนงตายเพราะยาฆ่ า, มาแมลงเพราะสารต่างๆเหล่ า, าลนี้ได้ซึมซ่าเข้าไปในมเมล็ดพืชในพืชที่เรากินบ้างละเฮ้ยไปในอากาศบ้างทําให้คนตายไปจํานวนมากหลายล้านคนสํารวจในประเทศที่จเจริญแค่ประเทศอังกฤษประเทศเดียวก็ฟาดไปตั้งมเป็นแสนคนแล้วที่ตายเพราะยาฆ่ า, มาแมลง ที่นี่ไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยประเทศที่ด้วยพัฒนาประเทศอืนะ่นก็คงจะตายมากกว่านั้นโดยวิธีต่างๆที่ยาข่ามแมลงแต่เราไม่ดูเนี่ยท่านตาตุนทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพืชมันก็ฝนไม่ตกต้องตามระดูการหลังจากนั้นฝนมาล่างม้ ก, ก็สกุกไม่ต้องตามฤะดูการไม่สม่ำเสมอกเก่งหนึ่งสุกกิ่งหนึ่งเป็นลูกเก่งหนึ่งเป็นดอกซาระพักหลังจากนั้นมนุษย์ทั้งหลายกิน ข้าวกินปลาที่มันสุกไม่สม่ำเสมอผลหมากลากไม้อย่างสารอาล่าในแอปเปิลที่เราได้ยินอย่างนี้เดียวนี้มันผสมกันมากในทุกชนิดที่เราปลูกเอาไปไขายมันได้สะสมสารพิษเอาไว้เมื่อมันสุกไม่สม่ำเสมอสัสนิภวันติวิสมะปากีนิพกเวสสานิมนุษย์ดูก่อนที่สุดทางไลยเมื่อผลหมากลากไม้ที่มันสุกไม่สม่ำเสมอเมื่อมนุษย์ทางไลปริพุนชันตา ได้บริโภคอัปายุกาจะฮโอนติทุพันนาจะทุพลาจะพโหวาพาธาจนะคนทั้งหลายกินเข้าไปอายุก่อน้อยลงผิวพัธุ์ก็เศร้ามองหลังจากนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็มีพระญาตอาฆาตตายไวตายไวนี่มันเกี่ยวโยงกันไปหมดอันนี้ที่อดตมมาบอกว่าวิศวกรรมหาก้อมเดี๋ยวนี้ โลกได้จเจริญมากเทคโนโลยี technology สายใหม่เป็นเทพพระเจ้าน้องใหม่กำลังดังที่สุดเลยมนุษย์กำลังใฝ่ฝันในโลกทางตะวันตกคือไบโอเทคโนโลยีเอ็ e จ i เนติกส์อินเชเดลิงไบโอเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเดี๋ยวนี้เขาวางังเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสามารถที่จะแยกแยะสร้างพัน พอลีแกนติกอินเจเนียริ่งวิศวะพันธุกรรมศาสตร์สามารถสร้างแบคทีเรียทําพืชอายุสันส้นๆแบบไหนก็ได้ปรับปรุงพืชแบคทีเรียใหม่ให้มันเหมาะกับดินฟ้าอาการหินแหกก็มีพืชที่เหมาะกับหินแฮ่ไปปลูกในทะเลทรายก็มีพืชที่เหมาะกับทะเลทรายในดินเข็มดินเอื้อตก็มีพูก พืชที่สร้างขึ้นมาใหม่แบคทีเรียใหม่เหมาะกับดินเอื่อดินเข็มเดี๋ยวนี้ฝันกันไปไกลจะไปสร้างฟาร์มอยู่อวกาศจะไปสร้างู่ที่โลกพระอังคารในนี่ในสหรัฐอเมริกากำลังค้นควา้าแบคทีเรียตัวใหม่ที่จะไปปลูกที่ดาวอังคารอายุสั้นๆในอุณหภูมิที่พอเหมาะพอสมหลังจากนี้เร่งฝันเฟนเื่องกันต่อไปว่าจะสร้างเมืองในอวกาศจะสร้างเมืองลอยฟ้าจะสร้างเมืองล อ, อ, อยน้า สร้างแบคทีเรียใหม่สร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมามนุษย์พันธุ์นักรบมนุษย์พันธุ์ที่ใช้สติปัญญาดิเขาเรียกว่าอ่าปัญญาประดิษฐ์ไอ้นี้กําลังจะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยังมีมนุษย์พันธุ์นักลบมนุษย์พันธุ์ ก, กรรมกรเลเบรดวอรดิสมริรอะไรต่างๆขึ้นมาอนนี้เขาฝันกันไปไกลจะไปปลูกพืชอยู่บนดาวอังคารจะย้ายบ้านเมืองใหม่ พวกคนไทยเราจะมาสร้างอีสานเขียวนี่ไม่รู้ใครจะใกล้ความจริงกว่ากันอาตมาคิดว่าอีสานเขียวของเราเนี่ยมันแค่อื้อมันแค่เอื้อมถ้าหากเราพร้อมเพียงกันรักสมัครสมานรักต้นไม้แล้วก็เบือนนายอบายามุกไม่ต้องเป็นทาสของอบายามุกมีจิตใจเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรมอีสานเขียวไงนิดเดียวอยู่แค่ปลายจ่าโมแล้วได้ว่าเรามันจะพร้อมกันมันจะรักกันไหม เ น, นั้นเองอรตมาว่ามันง่ายแล้วก็เลิอ ก, เลอกอีกสานเขียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ว่าก็ว่าเธอเรากําลังเหอะเหอไปกับเทคโนโลยีใหม่ใหม่ไอเทคโนโลยีนี่เราก็ไม่ได้ว่ามันไม่ดีส่วนที่มันดีก็ดีที่ผููกันฟังรู้เรื่องทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางอะไรนี่ก็คือเทคโนโลยีแต่ส่วนที่มันเป็นโทษถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็จะเป็นห่ากอ้อมมากินหัวเราอจะมาเรียกว่าวิศวกรรมห่าก้อม พ่อออกแม่ออกญาติโยมทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคนโบราณพูดเรื่องหาก้อมฮ่มาตอมเฮีวคนโบราณบอกว่าผู้ใดมีคาถาหาก้อมเขียนใส่ลงไปในไบลลานเอาไปฝังลงในถ่านนา้ำงวงควายคนไหนมากินแล้วก็ซึมกระเทือดสี่วันห้าวันตายมับเจ้าของหาก้อมก็ไปเที่ยวปัวไปเที่ยวรักษาเอาควายตัวละเท่านั้นเท่านี้แกปัวแกกระหายและแกก็ได้เงินได้ทองเขาว่าวิชาหาก้อมรวยเงินแต่ก็ทําให้คนเรียนเป็นปอป มีคนบอาหล่าห้ฟังแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งกว่านั้นซปเปอร์หาร้อมที่เรียกว่าจ e นิทิกอินเจเนริงนี่แหละไบโอเทคโนโลยีนี่ยในสมัยนี้เทคโนโลยีเด่นๆสองพวกที่น้องใหม่ที่สุดก็คือไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่จะสร้างเชื้อแบคทีเรียอะไรต่ออะไรขึ้นมาแม้แต่คนนี่ก็จะแยกขึ้นมาสร้างพันธุ์ใหม่ไว้ใน สร้างตัวยีนโคโมโซมแบคทีเรียใหม่ขึ้นมาใส่เข้าไปในท้องแม่ถีดเข้าไปแบบผสมเทียมแล้วจะออกมาเป็นคนที่ไม่มันะมองดีเป็นคนที่พันไก่ตีนักลบก็ได้เป็นคนชนิ้ที่ทำงานเก่งๆขยันเรียกว่าเรเบิรก็ได้เรียกว่าซูเปอร์เรกเรก็ได้พันมาตรฐาน ในการสงครามก็อาจจะสร้างมนุษย์พันใหม่พันสงครามพันไก่ตีนกรบพลหดขึ้นมามีคุณสมบัติพิเศษสําหรับทําหน้าที่เป็นทหารโดยเฉพาะในทางการแพทย์ก็จะมีธนาคารอาวัยวะต่างๆเป็นต้นว่าธนาคารตับธนาคารไตธนาคารไส่ธนาคารพงุงธนาคารปอดเป็นอะไรไว้สําหรับกรณีที่จะเกิดปัญหาจะต้องเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเปลี่ยนไส่เปลี่ยนพงุง เมื blender, Who, ่อใครมีโรคภัยไข้เจ็บจะประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับอวัยวะเหล่านี้ก็จะพาตัดตีนแปลงใหม่ได้หมดให้ความเจริญมันฝันฝ่ไปไกลถึงขนาดนี้นี่แหละที่ก็เรียกว่า g e n e t i c a engineering วิศวพันธุกรรมศาสตร์อาตมาบอกว่าวิศวกรรมหาก้อมีกินหัวเข่า ทีนี้ถ้าเกิดทํากันขึ้นมาได้จริงๆมีธนาคารตับธนาคารไปธนาคารใสธนาคารพุ่งเกิดคนยากคนจนไม่มีเงินซื้อหรือบางทีพวกแผลพวกหมอที่ทําได้อย่างนั้นจริงๆเก็บตับไตใสพุ่งไว้ในอุณหภูมิที่สร้างไว้โดยเฉพาะเอาไว้เป็นอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดเขาไหม่มีสินมีธรรมแล้วมันจะเป็นหาก่อมที่สุดหาก่อมจังได้บาท สมมติว่าตาสีตาสายายมายายมีเจ็บหัวปวดท้องก็ไปเอ็กซเรย์โอ้ยตับเจ้าเน่าบ้บานนี้มันจะพังบแล้ววะฉันต้องเปลี่ยนตับใหม่จากสองหมื่นก็ได้รอกไม่ไงวาสันต์รญาติาตายก็เลยรีบใหญ่เลยทีนี้ก็ไปขายไรขายนายืมพี่ยืมน้องแล้วก็ไปเปลี่ยนตับใหม่แท้ที่จริงตับของเราอาจจะดีที่สุดตวย แต่เขาอยากจะได้ตับชนิดดีไปไว้ในธนาคารเก็บไว้เป็นอะไหล่ไว้ค้ายให้เศรษฐีมึงก็จะเอาตับของเราดีๆนี่แหละตัดออกไปไว้ซะในธนาคารตับแล้วก็เอาตับเฮงสวยมาให้เราเหมือนกับซ่อมอะไหล่รถยนต์อะไหล่ของเราเครื่องเราดีดีๆนะว่าของเราเสียเราไม่เคยเป็นช่างเราก็ไม่รู้เรื่องและเขาก็ทอดดีๆของเราไปไว้แล้วก็เอาของเฮงสวยใไปให้เราวิ่งไปสองเดือนพังเดี๋ยไปซื้อใหม่ อันนี้พวกใส่ตามเฮงซวยเขาให้ปอดเฮงสวยใตยเฮงซวยเขาให้แล้วเอาของดีๆของเราเก็บไว้ซสียโอ้ยจับหายเลยที่นี่มาอยู่ไม่ทันเลยได้หามเข้าโรงพยาบาลไม่ทันมรณภาพไปเลยและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือวิศวกรรมหาก้อมยุทธิชิคเอนจิเนียริ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเฮอกันขึ้นมาคนไม่มีสินมีธรรมนี่สําคัญที่สุดถ้าเกิดว่าห้องไลบรารีห้องหัแรบของพวกแพทยพวกหมอไปค้นพบ แบคทีเรียเชื้อพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดใหม่ออกมาเสร็จแล้วก็ค้นพบยาปราบมันแล้วก็เอาโรคชนิดใหม่ที่ค้นออกมาใหม่เอามาปล่อยลองของกับคนยากคนจนให้มันไข้มันหนาวแล้วก็เอายามาปัวมารักษาแบบหากร่มกินควายโบราณทีนีน้ต่อมามันก็ระ บ, บาดไม่มีเงินมีทองก็ตายไปมีเงินมีทองก็รักษาอันนี้หน้าเป็นห่วงที่สุด พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสุขโตวาพิกเวโลเกจิธรรมาโนสุขตามวินายโยงุจนาหิตายพระหุชนสุขายะโลกานกุกรรมปายะเทวามนุส้านางดูก่อดวิสุทังร้ายทำวินัยของเราตถาคตเราตถาคตก็ ด, ดียังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อ น, นั้นความสุขความสงบร่อมเย็นย่อมเป็นประโยชน์แก่โลกแก่มนุษย์แก่เทว ด, ดาในโลกนี้เพียงนั้น ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการพ่อข้าประชาชนคนร่ำรวยคนฉลาดถ้าหามีสินมีธรรมมันจะคุ้มครองตัวเองจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันแต่ถ้าหาไม่มีสินธรรมคนฉลาดมันจะเอาเปียบผลโลกนักวิทยาศาสตร์จะสร้างเชื้อพันธุ์แบคทีเรียใหม่มาทําสร้างโลกใหม่มาสร้างยาใหม่มาแล้วก็มาปล่อยกินหัวคนยากคนจนไม่มีเงินปัวยก็ตายไปคนมีเงินห้องก็รักษ า, าไปก่อหายไปพวกรวยก่อรวยไป อันนี้มันอยู่ที่สินที่ทำที่สุดวิศวกรรมหากล่อ ม, มันจะเกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้านะอันเบิร์ตไอสไตน์นักวิทยาศาสตร์เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพที่สร้างระเบิดปรมาณูค้นพบเรื่องอะตอมขึ้นมานี่ แกก็มั่นใจในเรื่องเดียวที่พระพุทธเจ้าพูดไว้สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วด้อันเบิร์ตไอสไตล์แกก็เห็นด้วยแกบอาวา่า the world of the future depends on modern strength and modern force ขออภัยว่าภาษาฝรั่งเนี่ยแปลว่าโลกในอนาคตชะตากรรมของโลกจะอยู่ที่ความแข็งแกร่งความมั่นคงของศีลธรรธม คือถ้าศีลธรรมมั่นคงแข็งแกร่งในใจิตในใจโลกจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เิรฉะนั้นโลกจะชิบหายง่ายที่สุดดังอาตมากล่าวว่าิศวกรรมห่าก้อมทีนี้มีวิศวกรรมอีกแบบหนึง่งคือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าไมโครอิเล็กทรอนิกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อไปคอมพิวเตอร์จะมีใช้กันแพร่หลายมากอย่างที่ฝรั่งเขาบอกว่าทุกบ้านจะต้องมีคอมพิวเตอร์เหมือนกับมีห้องซ้วม หมายก็ว่าบ้านหนึ่งเหมือนจะต้องมีห้องส้วมเนี่ยเดมาได้อ่านหนังสือพิมพ์เขาจะเอาคอมพิวเตอร์มาทํากับกิจาการของสง์เก็บประวัติของพระสงฆ์องค์เจ้าสองสามแสนรูปในประเทศไทยให้เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์จะลงทุนทําองค์ไหนเป็นสมองสามีทำผิดทําชั่วยังไงอยู่ที่ไหนคอมพิวเตอร์จะเก็บไว้หมดว่าเข้าท่าเข้าท่าก็อนุโมทนาส่วนที่มันดีก็ดีแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้มีบทบาทมากอันนี้ก็เป็น คู่กันมากับไบโอเทคโนโลยีการสื่อสารคอมนาคมจะสะดวกมากจะทํางานอยู่กับบ้านก็ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อสายเข้ากับโทรศัพท์ทํางานสัง่งงานสังน่งงานทํางานทางคอมพิวเตอร์จะเรียนหนังสือก็อเรียนที่บ้านโดยไม่ต้องไปโรงเรียนเรียนด้วยความเพียรคอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษขึ้นไปอีกทํางานมีประสิทธิภาพสูงอย่างยิ่งเขาเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของคนนั้นอีกด้านหนึ่งเขาจะมีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์รุ่นที่ห้าไฟ e จเนเรชันตั้งฝั่ง5ฟ e n e r a t i o n ค o m พิวเ r อร์เรียกว่าคอมพิวเตอร์รุ่นที่ห้ามีสมองทียมมีสติปัญญาคล้ายมนุษย์ที่เขาเรียกว่า Artificial Intelligence แปลว่าปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ชนิดนี้รู้กินก็ได้อ่านหนังสือก็ได้ตอบคำถามเราก็ได้คิดต่วยเหตุด้วยผลตัดสินใจอะไรได้ว้าทัวป่านคนบ้าน เข่นยนต์ก็เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถคิดเหตุผลได้พิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆได้ในการสื่อสารระบบคอมมานาคมจะก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ดาวเทียมเชื่อมแทบทุกส่วนของโลกให้ถึงกันแล้วติดต่อกันทันีโทรทัศน์โทรศัพท์พทพมีอยู่ที่ได้มีโอ้ยเป็นอันว่าถึงยุคที่จเจริญที่สุดแต่ถ้าขาดสินขาดทําแล้วจะตายกันได้ง่ายที่สุดปี 2,512 เกือบจะวิตตายกันไปทั่วโลก 2,522 ที่ประเทศอเมริการัตคาโรดาโดอยู่ทางภาคเหนือของอเมริกามีภูเขาลูนหนึ่งก็เรียกว่าเขา C ีเอน็นะตรงนั้นเป็นสถานที่ต่อต้านอาวุธขีปนาวุธที่จะยิงมาจากทางรัเสเซียเป็นสถา น, นีรับสัญญาณมีคอมพิวต้องพิวเตอร์ทีใต้ภูเขาถ่ายรัสเซียยิงตูมมาก็จะมีสัญญาณบอกทันทีทั้งนี้ก็จะกดปุมสวนทันทีเรื่องใสเครื่องบินทะยานขึ้นไป อยู่ดีๆวันดีคืนดีไอคอมพิวเตอร์ที่เขาเซนี่ก็สัญญาณไฟแดงวาวๆๆ ว, าวา่าคือมาว่ารัเสเซียยิงขีปนาวุธมาแล้วครูดมาแล้วต็นนี้ก็หอเพชิงสองบินจู้ขึ้นไปจะไปถ ล, ล่มรัสเซียสวนทางอากาศในนี้ยังไม่มั่นใจตรวจเช็คมาอีกทีหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ก็รู้ทีหลังว่าคอมพิวเตอร์มันโกหกมันหลอกลวงมันเล่นไม่ซื่อมันทางานไม่ซื่อสัตย์ เห็นไหมล่ะถ้าหากไม่มีสตินิดเดียวนั้นนึกว่าทางโน้นเอาทางนี้ก็ยิงก่อนเลยกดชึกทางโน้นก็กดสวนมาไม่รู้ใครเป็นใครโอ้ยตายหมดเลยอันนี้เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีก็ดีหรือเจน e ติกอินเจเนริ่งก็ดีอาตจมาให้ชื่อว่าวิศวกรรมห้ากล่อมเกอขึ้นจะตายกันง่ายที่สุดเลยคนโบราณของเราท่านพูดเอาไว้ พูดเอาไว้ไว้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องท ร, ร ม, มิกราท ร, ร ม, มิก ร, ราชานั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่แล้วถ้าหากเราไม่พอใจสุขใจในการประกอบไปด้วยธรรมคือความถูกต้องดีงามแต่ละคนแต่ละหน่วยในสังคมแล้วบ้านเมืองของเราจะชิบหายวายวอดจะตายได้ง่ายที่สุดเลยเพราะฉะนั้น เรื่องศีเรื่องธรรมนั่นเดี๋ยวนี้เห็นท้องต้องกันแม้แต่คำกล่าวของพระพุทธเจ้าทั้งก็ยืนยันไว้ว่าความสุขของโลกอยู่ที่มีศีลมีธรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆอย่างอันเบิร์ตไอน์ตน์ก็ยอมรับว่าจะต้องอยู่ที่ศีลที่ธรรมโมรันโฟส์โมรันเซ้งความแข็งแกร่งของศีลธรรมความมั่นของของศีลธรรมจึงจะควบคุมให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขได้ แม้มนุษย์จะเก่งกาจถึงกับจะสร้างสมองเทียมเป็นปัญญาประดิษฐ์มาจนพูดจาได้ตัดสินปัญหาอะไรได้เองชนิดที่เรียกว่า artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาก็าตามแต่ถึงขนาดนั้นถ้าหากไม่มีสินทำขึ้นมาแล้วมันก็จะชิบหายกันในง่ายที่สุดเลยพอลองหันไปดูโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา ที่พูดไว้เก็บจากหนังซื้อลำพื้นเมืองท่านก็ทำนายไว้ไอาเมาที่ว่าคงจะมาตรงกับยุควิศวกรรมหาก้อมยีนิทิสอินเจเนริงนี่คือคนจะตายนั่งตายยืนตายนอนตายเดินตายเนื่องจากว่าเรามีเครื่องมือที่จะประหัดประหารกันตาขาดสินขาดทำอย่างระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดนิวตรอนตุ้นใหม่ขึ้นมาเนี่ย คนโบลาณบอกพันที่สามนี้แหละจะวุ่นวายที่สุดแล้วก็จะมีพญารรมิกราชเกิดขึ้นมาอีกเหมือนกันในช่วงนี้ประวัติตามหนนห่องหัวเมืองหน่อยใหญ่บ่มีไผ่อ่อนน้อมย่อมให้แก่กันไผ่กย ก, กพ่นสูบพ่แซนเข่าใส่เมืองใหญ่ๆหญ่แลหน่อยทั้งไข่ทั่วแดนอันว่าคนแสนหลานตายกันอันนั่นเนกแพลแล้วก็หักขีนควยข่วงเสมอด่ามดังคอนอันหนี้บอ่อห้งหุม่ม เรวิชาเกี่ยร์กลมจืง้งเลยเกิดเดือดหอนเล่วสูบแต่กันอันวาสังโคเจ้าพวกมูม่วนที่คูผ้ากันไล่คำซ้อนแห่งองค์พุทโทษเจ้าเอาแต่ใจตัวแท่บ่ทำตามพระสั่งสิกขาบททันวาไหวบ่มีใได้เสือฟังฝูงมูสังโคเจ้าทั้งหลายกับเบยานยอนกันแล้วภัยกว่าภัยเก่งกาบ่มีเหาะตอกันอันว่าของอุโบสถเจ้าบ่ทำต า, ตามเต็มสวน ทาแต่พ่อเล็กหน่อยบอกสนแทดังเดิมแทะแล้วตกถึงข้าวสองพันตีปลายเศษเขแต่ทรงพระเจ้าสิศูนเสาเสื่อมลงบางองค์ทรงเพจเพี่ยงเพียงผ่าผ่อนเลือเล้องเลงส่วนสิ้ข้าววินัยกระขาดไปเรื่องเื่อยหากอดเต็มตามขอคือพระองค์ยังดูพาวาภิกูุประหลาแทหาเหล่นเทียวบ่อายบางองค์เอาสายสอยท่องคำออกหาใจมันถักพิษหีแทะทพระเจ้าสังสอน ใครทำจังสันหากเป็นบาปปาปังก็จะไปอบายแน่นอนจริงแทบบางองค์เล่นกัดปลาส้านไก่บางองค์ไปเที่ยวหาสื่อครางองค์ไปเที่ยวขาหาสื่อเครืองค้ายบางองค์เป็นหมอ้อแก่กันผีครับไลบางองค์เป็นหมอ้อยาและแต่งแก่ไปแถ่สู่อันบางองค์ผ้ากันเล่นตอดลากลุ่มกัน ฟังยีนท่มท่มเสียงฮอนี่่งน่องเพื่อนบางองค์ผ้ากันเข่าข้าเมย่ยามคําหาเข่าหนามกินเทรดังขโยม่มภาษาเนี่ยเดีมาพูดเสียงในฟิล์มดาวแท็กซีเทมคงให้อภัยนะหัวภาษาฝรั่งก็หัวมาแล้วพูดถึงเรื่องคนบบราณพูดให้ฟังกับยุคนี้สมัยนี้อันนี้สังโคเจ้าองค์เพลินพิษทําให้เสื่อมองค์ที่ดีก่อหากยังมีโยมากรนเลืออลํอาอาเนกน้องในคนโบราณพูด มีทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปในยุคนี้แต่จะเกิดปัญหา ม, มากนักทานายสังคมโลกมอสตาโนสตาดามุสนั่นแกก็เคยพูดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแกตายก่อนนั่นแกทานายถูกหมดเลยไอ้มอนี่้วคงจะมียานวิเศษคือมีสมาธิก้าคนโบราณที่เขียนมานี่อาตมายอมรับว่าเป็นคนที่ มีสมาธิภาวนากล้าพอสมควรจึงสามารถมองเห็นสังคมได้อย่างชัดเจนดังที่เราฟังฟๆมาเนี่ยอาจะมาคิดว่าคงไม่ไกลเกินความจริงในหนังสือลำพื้นเมืองที่คนโบราณเขียนไว้เนี่ยนะและในพันธุ์ที่สามนี้เองที่บอกว่าวัดวาอารามเนี่ยวัดป่าจะมีน้อยลองวัดบ้านจะรุ่งเรืองซึ่งแต่ก่อนนั้นพิสุทโสงนี่อยู่ในป่า และส่วนมากแต่นี้ตอนหลังมาเนี่ยพระสองฆ์เจ้าทั้งคำมาอยู่ไปเข้ามาบิณฑบาตในบ้านชาวบ้านเกิดสถานมากก็เลยสร้างศาลากลางบ้านเอาไว้เมื่อสร้างศาลากลางบ้านเอาไว้คนก่อ น, นัักันมาทําบุญตักบาตตรงนั้นสร้างพระพุทธรูปไว้กาบไว้ไหวต่อมาพระสองฆอง์เจ้าฉันข้าวตรงนั้นกลับบิณฑบาตแล้วม่นกลับฉันตรงนั้นเลยนอนพักผ่อนเย็นๆค่อยกลับหนังนักเข้านอนตรงนั้นเลยไม่กลับ คนก็ศรัทธาขึ้นอีกแล้วก็เลยสร้างที่ให้ท่านพักนิมนต์จำมันษาในบ้านไปเลยหลังจากนั้นบ้านโน่ก็เอาอย่างบ้านนี้ก็เอาอย่างหนักหนั ก, นกข้าวก็เลยเกิดมีวัดบ้านขึ้นมาซึ่งแต่ก่อนนั้นวัดมันจะอยู่ในป่ามันมันมันมันไม่ใช่จะอยู่ในบ้านนีคนโบราณท่านพูดไว้อย่างนี้นะขอให้เราทั้งหลายได้คิดดูเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คนโบราณท่านบอกว่าในสมัยเนี้ คนจะมีศรัทธาชาวบ้านมีศรัทธามากกว่าพระพระมีไม่ค่อยมีศรัทธาอาตมาเคยไปเทศกับพั่ประเทศไทยยิ่งเทศเรื่องสมาธิภาวนาชักชวนชวนทำสมาธิโยมมีความสนใจมากกว่าพระส่วนพระไม่สนใจลุกเดินนี้ต่อหน้าทมอาการขยะขขยแยงบางทีก็เยาะเย้ยถากถาง บางทีพระผู้หลักผู้ใหญ่เลยพูดจาเสียหายกับพระศาสนาว่าไม่สนใจไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธากรรมาฐานแต่ชาวบ้านกับศรัทธาตั้งอกตั้งใจฟังตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้คนโบรางก็บอกไว้ในข้าวนานั่นคนได้พากันสร้างสมพันธ์เฮียงหงุงบ่อห่อนถุกงาบบ่อห่อนถูกงาดให้เสมอดามดังเดิมนี่คนจะสร้างสมพานศ า, นออน า, นาน ส, า น, ส, า ส, า น, สานาลวงเขา พันปีที่สา ม, มาหอดดังนั้นก็หากเห็นต่างแฉะมาเลื่อยบ่อเศร้าส่วนวัชลังโคเจ้าทั้งหลายก็หากตาหลังผลก่อนมาอันวัชลังโคเจ้าก็หากผ้ากันถิ่มอลัญญาวัดป่าซะแล้วจึงผ้ากันมาอยู่ไก่หิมบานบอ่อไก่แทนแล้วแต่ก่อนุ่นบอ่อฮอนเป็นจังสี่ยังมีอุบาสกเจ้าใจบุญผู้หนึง่งมีสุทากอสงังสล า, าไหวทอดท่านตีดกับหิมบานบ่มีไก่เกินเขตจึงได้สั่งพุทธลูกเจ้าประจำไหวที่ร้อน ทานก็อุปถาทเจ้าพุทธหลวตามศรัทธาเที่ยวมาปฏิบัติบวชขาดวันแรงเศร้าไปนั่นสังฆเจ้าไปมาบินทบะ ท, ทานก็นิมนต์อยู่อย่างเศร้าหันผักผ้าบางองค์นั่นมาเศร้าหน่อยหนึ่งหายเมื่อแล้วเดินดันดุงไปบางองค์นั่นก็ผ้ากันยุดอยู่พักพรหันสันแล้วจึงคอยไปหลายวันได้หลายเดือนแถมทายมาแล้วฟูงหมู่บ้านก็เฮมพอมทกันเขาก็าผ้ากัน นั่เอาเขาพ่อสนั่งทุกสิ่งมาลำเลียงพาสงเจ้าซอยกันแต่นั้นสังโคเจ้าพวกหมู่ชาวพิกษุก็จึงพากันมาพักเศร้าทาวีขึ้นบางองค์นั่นพักเศร้านอนอยู่บางองนั่นเศร้าหันพักนอนแต่นั่นอุบาศกเจ้าภูสะทาสางกอจึงแต่นิมนต์สงอยู่หันจำพันตาหันต่อไปก็หากเป็นดังนั้นนั่นไปจนตลอดฝงหมู่บ้านเหล่านั่นก็ คือดาดังกันบ้านอื่นก็เลยทําเหมือนกันแต่นั่นสังข้อเจ้ากับผ้ากันมาอยู่ตามวัดบ้านเลื่องเลื่อยต่อมาแทนแล้วส่วนว่าฟงพระชาติเจือชาวคนเกิดใหม่ก็เลยเข้าใจว่าเมนวัดบ้านเป็นตนต่อมาวัดบ้านนี่องคพุตโตโบได้แต่งดอกน้ามันหักเป็นไม้ขืนเข้านี่ดังเจ้ามาหนี่แล้วคนยึงผ้ากันสัง่งตามกันขืนไม้วันไงหน่อย ก็ค่อยสั่งดังกันวัดปานั่นพุทธบาทบรญยัตเป็นปฐมวัดแต่เดิมดาเข่าเ ว, ลว้ล้วนเจ้ามหาวิหารวัดไงปะญญาพิมพิสานสั่งไหวข้าวกี่ก่อนหลังอเอาอนะไรเนาะเอากันแค่นี้เวลาของเรามันก็จะหมดเย็นน